พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7กันยายน2556มีชื่อเรื่องว่าหลวงพ่อสร้างกุฏิที่วัดป่าบ้านตาด วันนี้เป็นวันที่เจกันยายนพุทธศักราช2556หลวงพ่อได้ประกาศว่าวันที่19กาันยาห้าเป็นวันบุญฉลากกพัตทางอีสานเหนือของเราเป็นวันสำคัญเป็นวันทําบุญใหญ่ กลางปีเรือในพันษามาทาบุญข้าวฉลากก็คือฉลากกระพัดแต่หลวงพ่อได้ถือบอกประกาศให้ข้ะรัทธา ญ, ญาติโยมได้ทราบว่าพวกเราจะบรรจุพระธาตุหรืออธิธาตุของประมาจา์คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงพ่อ ไปกรุงเทพคุณหลวงได้ถวายเกษาเกษาหลวงปู่มั่นแล้วก็อธิธาตพระาธาตุหลวงปูล่ลาแล้วก็อธิธาตพระาธาตุของหลวงตาอธิธาต์พระธาตุของคุณแม่ชีแก้วคิดว่าจะบันจุวันที่19กันยา ชันจะหารเสร็จแล้วก็คงจะทำพิธีบรรจุพอลุงพ่อได้ให้เขาแกะสลักหินอ่อนมาจากจังหวัดเชียงรายส่งครบแล้วครบทั้งห้าองค์คุณแม่ชีแก้วแกะสองแกะเป็นหินไว้แคลาล่าหินขาวเหมือนกับหินพระใหญ่ภูก้อน่ะแต่ช่างก็ช่างคนช่างแกะหินภูก้อน่ะที่ลุงพ่อวาดย่างเขาแต่ก็แพงนะคณะนะสัตยาธิรมูกหลาน รูปหนึ่งก็5 0 0แสนค่าแกะค่า่าหินประมาณ6กหมื่นส่งถึงที่อะไรลักษณะนั้ น, นประมาณ5 0 0แสนก็5องค์คุณแม่2คุณแม่นำมาไว้ที่ของเรานีน อ, อยู่ที่นี้องค์หนึ่งแล้วก็อยู่ที่เจดีของคุณแม่บ้านห้อยทรายอีกอยู่ชั้นบนแต่ก่อนก็เป็นไฟเบอร์ แต่บัด น, นี้หลวงพ่อเห็นว่าไม่มั่นคงก็เลยเอาหินขาวขึ้นไปบรรจุไว้ที่เจดีย์ของคุณแม่ที่บ้านห้วยทรายรูปหนึ่งเอาไว้ที่วัดของเรานี่รูปหนึ่งและวก็หลวงปู่ล่ารูปหนึ่งหลวงปู่มั่นรูปหนึ่งหลวงตามหาบัวรูปหนึ่งรวมด้วยสี่รูปอยู่ทางหลังที่นั่นแหะที่ฉันน้ําร้อนที่หลังหลวงพ่อน นั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละลูกเหมือนที่ว่าจะบรรจุอธิธาตหรือพระธาตุของท่านวันบุญฉลากกพัดเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ตามปกติก็มาทําบุญวันนั่นอยู่แล้วหลวงพ่อก็เลยถือโอกาสง่ายๆรวมกันแล้วก็บรรจุให้จบๆไปจากนั้นหลวงพ่อก็บรรจุอธิธาตพระธาตในลูกเหมือนครูบาอาจารย์ ทั้งสี่บรรจุเนี่ยก็ที่แรกหลวงพ่อก็จะเอาพระอบทองคำที่เขาจะทำให้ไม่ว่ า, าแต่มาพิจารณาดูแล้วโอ้ไม่ได้ถ้าต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานารู้เข้าว่าในองค์ท่านเนี่ยมีรูปทองคำาน่ะเดี๋ยวก็จะมาทุบพระอีกละ่ะหลวงพ่อก็เลยเอา เอากล่องสแ ต, เตนเลสเขาพอก็เลยใส่เป็นกล่องสแ ต, เตนเลสแล้วก็มีพระาธาตุใส่เข้าใส่นี่แหละหลวงพ่อก็คิดคิดไกลเหมือนกันนะลูกหลานคณะสัตธาญาติโยม้าเราคิดคิดใกล้ๆเผื่อเขาทุบองค์หลมมันเสียเท่าไหรนะ่กันกระปุกทองคำใส่เข้าไปนะไม่กี่เงินแต่เขาทุบพระเนะี่ยโอ้เสียหาย พนักลงพ่ออ ย, อย่าให้เป็นสนวนในการทํำร้ายทำลายวงคูบาอจารย์หลวงปู่หลวงพ่อก็เลยจะใช้สเตนเลสเป็นสตรับจากนั้นก็บรรจุพระธานอธิธาตของท่านทานเองจะไม่บรรจุเงินเพชรนินจินดาอะไรทั้งหมดเพราะว่ากลัวจะอันตรายอันนั้นกับวันที่19นะตรงพ่อคงจะได้บรรจุ ฉันยังหันเสร็จนะแล้วก็เมื่อวานครูบาอาจารย์ที่เป็นหมู่พวกเพื่อนที่มาแต่มาไม่ครบเมื่อวานที่แล้วว่าจะมาหลายองค์หลวงพ่อก็เตรียมท่ารองรับเหมือนกันแต่วันนี้พี่น้องชาวบ้านตาดในโทรศัพท์มาบอกว่าจะมาถึงตอนบ่ายพวกผู้สูงอายุที่รู้จักมักคุ้น แต่จะมามากน้อยแค่ไหนหลวงพ่อก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าจะมาวันนี้แล้วก็วันที่17ที่จะถึงจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับสถานีวิทยุของหลวงตาอาจจะมีการพูดถึ ง, ถงเรื่องเจดีของหลวงตาด้วยนะครับนัดกันแต่หลวงพ่อก็รับรู้รับทราบวันที่17แต่สถา น, ถานที่นั่ยัง ยังไม่แน่อาจจะเป็นวัดหลวงปู่บุญมีหรือวัดป่าบ้านตาดก็ยังคณะสงฆ์เขาก็ยังไม่ ต, ตรงกันก็ยังไม่ได้พูดชัดเจนแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็มีหมู่พกเพื่อนมาทั้งหมด9้าองค์มัง้งมากราบคารวะมีหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อบุญมีแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญมีท่านเต๋ารวมกันแล้วเก้า มาวัดหลวงพ่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ได้พูดเท้าความหลังให้ฟังหลวงพ่อได้พูดเท้าความหลังให้ฟังพรหลวงพ่อเองอยู่ที่วัดป่าบ้านตาตั้งแต่ปี2112ถึง2 2 5เป็นเวลา14ปีไม่เคยจำพรรษาที่อื่นจำพรรษาอยู่ที่นั่นตลอดหลวงพ่อบอกวันนั้นนะบุญมีนะชูธรรมนะ ผมอยู่ที่นั่นช่วงที่อายุ25ปีพอประจําพรรษาที่อื่นมา24ม่พรรษาที่ห้ามาเอาที่พรรษาที่บ้านตาดกําลังหนุ่มแน่นอายุ25ปีจากนั้นผมเองก็ได้รับภาระของหลวงตาสร้างกุฏิถ้าผมไม่พูดให้ฟังพวกท่านคงจะไม่รู้แต่กุฏิของหลวงตาหลวงปู่ฟักนะเป็นช่างใหญ่ก็มีสร้างบัว สร้างบัวสร้างศิลป์เป็นลูกมือจากนั้นก็ศาลาศาลาวัดป่าบ้านตาดศาลาในครัวนั่นนะอันนั้นก็หลวงปู่ฟักเป็นคนสร้างแต่ศาลาใหญ่หลวงตามหาบัวเจ้าคุณธรรมเจดีมานั่งเป็นประธานเป็นประมุคประธานกับมีพวกชาวบ้านสร้างศิล์สร้า ง, งบัวกับพระชาวบ้านมาล่วยมาช่วยกันยก ศาลาหลังนี้แต่หลวงพ่อมาได้เข้าไปนะนีพ่พูดก่อนเกิดแล้วก็กุฏิหลังกุฏิหลังกุฏิที่ทางใกลๆกุฏิลงตาอันั้นกัหลวงปู่ฟักสร้างศีลเป็นคนช่างทำจากนั้นกุฏิลงปู่เป็นมีอันนั้นกัหลวงปู่นี่คืพกลงปู่ฟักช่างศีลเป็นคนทําำหลวงพ่อมาได้ทำํำกุฏิฟินลิปนั้น เป็นของน้องชายของกิมกายเป็นกิมไทยเอาช่างมาทํากุติหมอเจริญหมอเจริญเอาช่างมาจากจุฬาฯมาทําแล้วกุติท่านปัญญานี่ยแหละท่านยูนเป็นหัวหน้าแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยแหละเป็นลูกมือแต่ไม้ที่ได้มาสมัยทั้งก่อนหน้านี้เป็นไม้ที่ไม้ตะเคียน ไม้ประดูไม้ตะเกียนเนี่ยเขาพวกลงเลื่อยไม้รนะงเลื่อยเข้ามาให้มาทิ้งไว้เนี่ยแะพ่อตาสุวรรณพ่อทิศสงลูกน้องเขยของลวงตาเนะี่ยเป็นคนเลื่อย เ, อเป็นคนเลื่อยแต่หลวงปู่บุญมีนะเนี่ยเป็นผู้กำกับในการเลื่อยเป็นคนกะไม้วัดไม้ตีจะเอาหนาเอาบางขนาดไหน หลวงปู่บุญมีเป็นคนกัช่วยกันพวกเขาเป็นคนเรื่อยนะแล้วกับเวลาทำท่านยังไม่เอาใครอื่นมาทํามีแต่พระมาทําท่านไม่ไม่อยากจะให้คนข้างนอกเข้ามายุ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านก็ให้แต่พร ะ, ะก็มีท่านยูนเป็นหัวหน้าอาจารย์ยูนอาจารย์จอนหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีหลวงปู่ลีท่านขอ้อไม่ได้เป็นช่างท่านก็มีแต่าสากบอะไรช่วย แต่หลวงปูป่บนมเมรพอจะกะนั่นกะนี่ได้แต่เรานี่ยนูนขึ้นหลังคาแหละเทนไงทำหน้าที่ขึ้นหลังคากุติกุติท่านปัญญาก็ใช่กุติหลวงปู่ลีก็ใช่กุติท่านกนกอยู่นุ่ก็ใช่กุติตนขี้เหล็กก็ใช่กุติท่านเชอร์รี่เนี่ยหลวงตาท่านเชอร์รี่ถวายปัจจัยหลวงตาหลวงตาให้ท่านปัญญาออกแบบ เขออกแบบเสร็จแล้วหลงตาให้ท่านปัญญาเป็นช่างะท่านปัญญาเป็นช่างจะติบทำอะไรได้ท่านก็เป็นพระฟรองขาไม่ดีต่างหากกะเล่านี่แหละเป็นหัวเป็นเป็นผู้นําำขึ้นหลังคากุฏิธทำที่วัดป่าปัญตาดสรุปแล้วคือกุฏิที่วัดป่าปัญตาดที่อยู่ในเขตกําแพงนั่นแหลอหลังไหนที่ไม่ได้ทําเนี่ยมีน้อยมากอืที่ผมไม่ได้ทํา ทางกุฏิในครัวกักุฏิซุนหญิงสงศีเ อ, อือันนั้นออพวกช่างบัวเป็นคนทำหลวงปู่เปิมมีเป็นคุณควบคุมแต่กุฏิหมอมหลวงกิตินหลังแฝดนั่นแหละท่านประยุู์เป็นคนทำ เ, ออเราเนี่ยแหละเป็นคนช่วยกันทําที่กุฏิพระหลวงพ่อได้ทําช่วยเกือบทุกหลังเพราะหลวงตาช่วงนั้นจะพัฒนาจากกระต๊บกระแต้หมุงหลังคาหญกขึ้นมาเป็นถาวร น, นั่นน่ะ ช่วงขึ้นย้ายขึ้นมาถาวรเนี่ยนะหลวงพ่อเองได้เข้าไปช่วยทำสร้างกุฏิที่วัดป่าบ้านตาดเพราะนั้นทุกวัดป่าบ้านตาดทุกอนุของนิ้วมือที่อยู่ในกาแพงสมัยนั้นร้อยหกสิไรเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงหลวงพ่อรู้ในขณะที่หลวงพ่ออยู่ เ, เวลาสิบสี่ปีเพราะไม่ได้ํำภาษาข้างนอก อันนี้ก็คือลุงพ่ออยู่อย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากนั้นก็มาอยู่ที่นี่ถ้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่25งพั้าจนมาถึงป่านนี้มาอยู่ใหม่ๆหลวงตาก็ท่านก็ไม่ไม่อื้ออํานวยท่านก็ไม่คล้ายๆกับว่าท่านมองๆดูว่ามันจะไปได้ยังไงทํำยังไงสมัยท่านกันดารเก็มาดูดูเสร็จแล้วก็หายไปต่อมาเราก็มาสร้างสาล ถูกโดนดุสร้างสลาเนี่ยเพราะาท่านว่าจะทำใหญ่เกินไปแต่ท่านก็ไม่ได้เห็นแต่ท่านได้ยินแต่เขาว่าเพอได้ยินเขาว่าท่านก็ดามันดุไม่ให้หลวงพ่อเลยหลวงพ่อก็ยอมรับแต่พอเข้าจริงๆนายช่างวัฒนามาดูเห็นแล้วไปกราบเรียนหลว ง, งตานายช่างวัฒนาบอกว่าไม่ย้ายผมไปเห็นแล้วหลวงตาครับเอเขาว่าใหญ่มันใส ใหญ่มากครับไม่ใช่เล็กกว่าบ้านตาดครับคือเสาในระหว่างเสาเนี่ยยี่สิบสี่เมตรความกว้างและความยาวยี่สิบสี่เมตรความกว้างกว้างสิบหกเมตรแต่บ้านตาดเนี่ยกว้างสิบเจ็ดเมตรกว่าครับแต่ยาวเน่ยยี่สิบสามเมตรกว่าครับแต่วัดเนื้อที่ต่อเนื้อที่ใส่กันแล้วหน้าคำน้อยในยเล็กกว่าบ้านตาดสิบพลาตารางเมตรกว่าครับ ปูนอะ่ะพูดขนาดนั้นเลยรายงานลงตาลงตาก็เลยหยุดพูดตั้งแต่บัดนั้นมา น, ะนี่แหละจากนั้นมาลงตาก็มาช่วยกำแพงวัดนาคำน้อยของเราสมัยนะั้นหมดไปยี่สิบกว่าล้านนะกำแพงหกกิโลกับเจ็ดร้อยกว่าเมตรถ้าทุกวันนี้ไม่ได้เพราะสมัยนะั้นปูนเสื่อยกิโลถุงหนึ่งเพียงยี่สิบห้าบาทปูนช้างเนะี่ยสาสิบสามสบห้าบาท ปูนขาดตลาดอีกต่างหากช่วงนั้นเหล็กเส้น4ี่หุ้นประมาณ 35-40 บาถึงบาทนะ่ที่เราได้ซื้อตั้งทำถึงหลายปีตั้ง5บริษัทที่มาทำกำแพง6กิโลกับ7 0็กว่าเมตรเมตรละ2 0 0พกว่าบาท 2,500 าต่อมัดเมตรได้สนเนี่แหละอันนี้ก็คือลงตาช่วยทั้งหมดปัจจัย20กว่าล้านจากนั้นลงตาก็ขุดสะให้อีก ทั้งในวัดอีกหลายสะแล้วก็หลวงตาทำเขินให้อีกท่านโอนมาให้ทั้งสิบล้านถ้าสรุปแล้วก็คือในพี่น้องด้วยกันที่มองมองดูหลวงตาดูดูถ้าจะให้ที่วัดของเราเนี่ยมากกว่าสำหรับสหรับพระนะแล้วก็สำหรับโยมไม่ว่ากัน แต่สำหรับพระเนี่ยท่านช่วยสงเคราะห์ยากมากเพราะเหตุไรเพราะท่านบอกว่าพระเนี่ยต้องอยู่ในความอยู่ในสันโดษจะไปใช้ฟุเฟื่อฟุมเฟยไม่ได้ลงอยู่ในสายตาของท่านท่านให้อยู่แบบสมถ ะ, ะในการเป็นอยู่ของพระเพราะ น, นั้นวัดของเราที่โดนดวงตาช่วยสงเคราะห์ทางด้านวัตถุถึงขนาดนี้ก็นับว่ามหาศาลแต่เรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม แนะนำสั่งสอนทางด้านปฏิบัติน้นหลวงตาให้กับพวกเราทุกคนคุณค่ามหาศาลเพราะนั้นพระคุณของหลวงตาที่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่นับด้วยอะไรเอาอะไรมาประมาณไม่ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพระคุณของท่านท่านเป็นผู้บุคคลผู้มีอุปการะบุพภการี บุคคลผู้มีอุปการะก่อนแล้วพวกเราจะแสดงความกระตันยูกระเตเวทิตาอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะแสดงความกระตันยูเมื่อท่านหลวงรับไปแล้วท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรกับพวกเราทั้งนั้นท่านให้ท่านและก็คือให้มีเธอให้แต่วความเมตตาสมัยท่านอยู่ท่านกระดูด่าว่ากาลธรรมดาท่านอยากจะให้ลูกของท่านเป็นคนดีเป็นพระที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอ โดนดูบ้างบางทีก็ เ, เอาเจ็บๆหนักๆบ้างแต่พวกเราในฐานะลูกหลานก็ต้องมองต้องรู้ว่าเจตนาของท่านอะไรก็ต้องมองดูตัวเองอีกต่างหากอที่เราทําไปนั้นะมันถูกไหมที่ท่านดูนั้นเป็นยังไงดุผิดหรือดูถูกโดยมากถูกทั้งนั้น่ะแต่ตัวเองจะยอมรับมากน้อยแค่ไหนท่านเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่าน เมตตาอบรมสั่งสอนจนท่านเมื่อท่านจากไปแล้วหลวงพ่อบอกเลยบอกว่านี่นะ เ, เหมือนกับพ่อแม่ทุกคนเหมือนกับเราเคยเป็นพ่อเป็นแม่ไหมลูกของเรามีกี่คนลูกของเราแต่ละคนนิสัยอย่างไรจะช่วยทำอะไรได้บ้างแล้วในขณะที่อยู่ด้วยเป็นยังไง เ, เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ไหม สิ่งเหล่านี้พ่อผู้เป็นพ่อต้องคิดยิ่งเป็นพ่ออย่างหลวงตาเนี่ยท่านจะไม่คิดหนักได้ยังไงท่านต้องคิดรอบครอบคิดแล้วคิดอีกแต่ขณะนั้นท่านยังให้พินเป็นพินัยกรรมออกมาหลวงปู่ฟักที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเห็นไหท่านทําคุณประโยชน์กับฟัดป่าบ้านตาเท่าไหร่ที่สร้างกุฏิอะไรเอาท่านฟักองคหนึ่งต่อมากับท่านหลวงพ่ออินเนีคนหนึ่ง อยู่ในพินักรรมต่อมาท่านปัญญาองค์หนึ่งต่อมากับท่านวันชัยสามอซีโแต่ท่านสุดใจเป็นผู้เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้เป็นผู้จัดการเรื่องมรดกคล้ายๆว่าเป็นผู้ครองมรดกของพ่อนี่แหละจากนั้นก็เป็นของญาติโยมที่ลุงตาเห็นมองถูแลเห็นว่าจัดจัดการจัดงานเรื่องชรีระของท่านได้ ท่านก็มอบให้ดกเต๋เฉาคุณชัยป๋มผู้กากับคุณศิริสรุปแล้วก็รวมแล้วก้าคนนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นพินัยกรรมของหลวงตาที่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าพ่อไม่ไว้ใจพ่อท่านจะมอบหมายให้ดังอย่างไรแต่ตังนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้พูดว่าหลวงตามอบ ไ, มไว้ใจเรา แต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ไม่ได้พูดว่าลุงตามไม่ไว้ใจเราแต่เราได้รับพินัยกรรมนะเรา ไ, ได้รับพินัยกรรมผู้หนึ่งแต่ครูบาอาจารย์องค์อื่นทำไมไม่ได้รับอันนั้นเราไม่ได้พูดเหมือนกับพ่อแม่ของเราลูกของเราลูกชายของเราลูกสาวของเราเป็นผู้ทำคุณูปการกับครอบครัวมากแต่ว่าจะให้ใช้ออกไปไปทาการทำงานต้อนรับขับสู้แล้วว่าสู้ลบขบกัด เรื่องวางแผนเรื่องการงานไม่ได้แต่มีพรกคุณสำหรับครอบครัวนนท่านท่านจัดว่าเป็นเป็นผู้มีพะคุณสำหรับครอบครัวท่านค็ไม่ได้ใช้ถ้าใช้ไปกับเหมือนกับไปทำให้ท่านอึดอัดอีดอกต่างหากเพราะท่านไม่ชำนาญไม่เคยในเรื่องนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่ต้องคิดดูมัอนการว่าควรจะใช้ลูกแต่ละคนนั้นในหน้าที่อะไรบางคนกับ หน้าที่เกี่ยวออกไปเกี่ยวกับประสานงานข้างนอกบางทีก็เอาทำหน้าที่บัญชีทำบางคนก็ทําหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติของตระกูลบางทีก็ดูแลพี่น้องเป็นผู้มีน้ําใจต่อพี่น้องมีเมตตาต่อพี่น้องท่านก็ให้ดูดูแลพี่น้องเรานี้เป็นตน้นอันนี้ก็คือตระกูลใหญ่เพราะนั้นหลวงพ่อเองมองดูลงตาแล้วท่าน เป็นผู้รอบคอบรอบรู้จริงจริงแต่ในนี้ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเจดีของลงตาก็ยังไม่ตกลงกันหาที่ยังไม่ได้จะลงพ่อไม่ว่าอะไรลงพ่อว่าลงพ่อรับได้ทั้งหมดเนื้อพี่น้องหมู่พวกเพื่อนทุกองจัดททยญาติโยมทุกหมู่เราถ้าหากว่าพวกเราเห็นพ้องต้องกันอย่างไงหลวงพ่อเคยเห็นพ้องต้องกันอย่างนั้น อหลวงพ่อไม่ได้เป็นตัวกั้นกลางไม่ได้เป็นตัวขัดขวางไม่ได้เป็นตัวอทําให้ทวงหมู่อขัดข้านกับหมู่คณะครูบาอาจารย์อย่าไปคิดอย่างนั้นเบื้องบนครูบาอาจารย์เห็นด้วยพี่น้องประชาชนจัตวาญาติโยมทุกหมู่เหล่าเห็นด้วยไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เห็นด้วยไม่อ แต่แยกสมคีกันหลวงพ่อก็เห็นด้วยแต่ตาหาว่าพระสงฆ์เห็นด้วยแต่พวกกลุ่มสถาปนิกเบื้องบนไม่เห็นด้วยหลวงพ่อก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะมันจะเป็นเครื่องกินแหนงแคลงใจกันต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายไม่ใช่หน้าที่ของหลวงพ่อที่เป็นผู้ให้พวกท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพวกท่านทั้งหลาย เดินเข้าหากันก็แล้วกันเพราะหลวงพ่อเนี่พร้อมที่จะเห็นด้วยกับพวกท่านทั้งหลายอยู่แล้วไม่มีไม่มีอะไรขัดขวางพวกท่านทั้งหลายเห็นด้วยกันหลวงพ่อก็ต้องเห็นด้วยเท่านั้นนี่หนงไม่ยากแต่พวกท่านทั้งหลายยังหันหลังให้กันอยู่ยังไม่เห็นด้วยหลวงพ่อก็ยังไม่เห็นด้วยยังไม่ลงใจเพราะเห็นไรเพราะทำไปแล้วครึ่งครึ่งกลางกลางเดี๋ยวก็ทะเลาะเบาแวงกันเอาขบวนเดินขบวนมาไล่กัน คัดค้านกันไม่เห็นด้วยกันทําให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเรารเคารพเทิดชูบูชาในองค์หลวงตาทุกคนเปี่ยนแต่เพียงแต่ว่าความคิดเห็นของเราบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองเพราะนั้นหลวงพ่อเองบอกว่าให้พวกเราวัดป่าบ้านตาดเป็นของใครหลวงพ่อสร้างทุกหลังทําอะไรทุกหลัง ที่ลงไปที่วัดปาบันตาดทำเสร็จแล้วก็ยกให้หลวงตาทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้คิดแบ่งสันปันส่วนไม่ได้คิดว่าศ า, าลาหลังนี้หลวงพ่ออินเป็นลงมือสร้างใครลื้อไม่ได้กุฏิหลังนี้หลวงพ่ออินสร้างใครลื้อไม่ได้ถนนสายนี้ทำขึ้นมาแล้วหลวงพ่ออินสร้างใครลื้อไม่ได้หลวงพ่อจะไม่ทำอย่างนั้นที่ดินทุกอนู ที่วัดป่าบ้านตาเป็นของหลวงตาทั้งหมดพวกเราคณะสิทธิ์ทางหลายเห็นพ้องต้องกันว่าที่ไหนดีที่สุดโดดเด่นที่สุดเหมาะสมที่สุดสวยงามที่สุดถูกต้องที่สุดที่สุดที่สุดควรจะเอาลงจุดนั้นเจดีย์ของหลวงตาเพราะจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายส่วนกุฏิศาลาอะไรเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานหรอก เ, ออเจดีย์จะอยู่เป็นพันปี พวกเราตายแล้วเกิดเกิดและตายตายแล้วเกิดทั้ง10ชาติเจดีก็ยังอยู่แต่สารานะั้นอยู่ไม่ได้นานสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในนั้นไม่ได้นานแต่เจดีของหลวงตานะอยู่ได้นานเพราะก็จะทำให้อยู่มั่นคงที่สุดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดไกลๆคิดให้กว้กวางๆคิดให้รอบครอบคิดปูชาพระคุณหลวงตา ท่านั้นไม่มีปัญหาแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบแล้วนะเมษานะกเจ็ดสิบเต็มเปี้ยนะเดี๋ยวนี้เดือนกันยาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ครบเจ็ดสิบต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่ออินจะอยูน่นานไปสักเท่าไหร่กูบาจยานตายให้เห็นไม่รู้กี่องค์อายุเท่าๆไล่เลี่ย ก, กันหลวงพ่อไพรโรดก็เจ็ดสิบกปีเจ็ดสิบสองปี เจ็ดหลวงพ่อคูณกับเจ็ดสิบเอ็ดปีหลวงพ่ออะไรตัวไม่อะไรหลวงพ่อพระจนกันนะเ็ดสิบเอ็ดปีตายให้เป็นสี่ห้าหกองตายให้หลวงพ่อเห็นแต่หลวงพ่ออินจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่หลวงพ่ออินตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้คิดไว้อยู่เสมอเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ลืมตัวพูดง่ายสิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนต่อศรัทธาญาติโยมต่อพระพุทธศาสนาหลวงพ่อจะทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดคิดดีที่สุดทําดีที่สุดพูดดีที่สุดที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งหมดเนี่ยฟังโดยสิ้นลูกหลานคณะสัทยาญาติโยมคําไหนที่หลวงพ่อพูดไม่ดีแอบเป็นที่ตำหนิหรือว่าเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามพระพุทธศาสนาดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ดูถูกเหยียดหยามหมู่พวกเพื่อนดูถูกเหยียดหยามชาธาญาติโยมพระสงฆ์พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามีไหะถ้ามีหลวงพ่อก็อยากจะรู้เหมือนกันคํานี้หลวงพ่อพูดเป็นการดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนะหลวงพ่อนะะหลวงพ่อก็จะได้สํารวมระวังต่อไปจะไม่พูดนะนี่แหละวันนี้ก็ให้แนวความคิดสําหรับคณะชาธาญาติโยมให้ได้ฟังฮ มาจากยังหวัดตากก็คงไม่เคยได้ยินได้ฟังก็คงจะได้ฟังว่าเออแนวความคิดหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อของเราเนี่ยจุดยืนคืออะไรแนวความคิดนั่นคืออะไรพวกเรามันต้องได้ใช้แนวความคิดได้ใช้สติได้ใช้ปัญญาใช้ความรอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างการอยู่พระพุทธศาสนายิ่งพระพุทธศาสนาด้วยแล้วยองทําอะไรต้องรอบคอบ ทุกๆอย่างเพื่อจะดำรงสงศาสนารักษาศาสนาเอาไว้แต่สำหรับเราเราอยู่ไม่ได้นานอย่างที่ว่าไม่รู้จะไปจากไปวันไหนแต่พระศาสนาก็ดีปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีจะอยู่นานไปเท่านานดังน่นขอให้พวกลูกหลานเกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาแล้วก็ให้ประกอบคุณงามความดีให้ตักตวงบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ ตายแล้วไม่ศูญพูดอย่างนั้นได้ตายแล้วเกิดอีกตามแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วตายแล้วเกิดถึงที่ให้เกิดเกิดนั้นคืออะไรก็คือวิญญาณคือใจตัวผู้รู้นั่นน่ะตัวนึกคิดนั่นน่ะตัวสมองนั่นน่ะที่ประพาไปเกิดแต่ร่างกายของพวกเรานี่ยตายแน่นอนเอาไปเผาไฟทิ้งแน่นอนเอาขึ้นสูเมนแน่นอนเอาไปฝังที่หงสุวยแน่นอน อ, อถึงจะตายที่ไหนก็นัอ่อร่างกายสังขารร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าใจนามธรรมตัว น, นั้น่ะที่เราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างให้ใครสร้างให้ใจไม่ใช่สร้างให้ร่างกายถึงร่างกายเนี่ยถึงจะอิ่มเลี้ยงดูดีขนาดไหนก็เถอะเอประกอบคุณงามความดีดีขนาดไหนก็เถอะเห็นไหมหลวงตาไหนท่านทําคุณงามความดีขนาดไหน แต่ร่างกายของท่านก็แก่เออแต่ว่าใจของท่านเนี่ยผุดพองนะนำ ม, มาทำตัวผู้รู้ของท่านนั่นแหละเป็นอริยะบุคคลปะสรดาสกทาคานาคาอรหรันใจของท่านแต่ร่างกายของท่านเนี่ยเหมือนกับสามันชนทั่ ว, วไปคนทั่ ว, วไปเกิดขึ้นมาแล้วกแก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายของไปในลักษณะนั้นตัวนั้นอย่าปอย่าประมาท ให้สั่งสมคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถึงจะตายก็ตายไปเถอะร่างกายแต่ผู้รู้นมามธรรมตัวนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์หลุดพ้นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจดวงนั้นแล้วเมื่อใจดวงนั้นมีบุญแล้วเหมือนกับดวงใจดวงนั้นมีเงินมีเพชรนินจินดามีเงินออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วก็จะไปณสถานที่ใดไปเกิดณสถานที่ใด ไปเลือกเกิดได้ไปเลือกขาเกิดได้แล้วจะเกิดที่ไหนจะไปเกิดเป็นพระอินทร์พระพรมพระมีบุญมากหรือจะไปสวรรค์ชั้นไหนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลไหนตระกูลที่รวยๆไปเลือกเกิดได้เขาไปจองได้ไปฏิสนธิได้พอเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องหาเงินยากเพราะคนมีบุญมาเกิดนะเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายตระกูลเขาหาให้ไวแล้วเตรียมไว้แล้ว แต่ว่าถ้าว่าเราไม่มีบุญไปหาเกิดกับขอไม่ได้นะมองไปมองมาไปเห็นแต่อยู่ท้องหมูหมากาไก่ไปหาเกิดตามสัตว์ทชานไปเลยตัวนี้เพราะอะหรเพราะคนไม่มีบุญไม่มีเงินไปเกิดในที่ต่ําๆไปเกิดตามสัตว์ทตาชานได้เพราะอะไรเพราะเพียงจะได้เกิดเท่านั้นเองเพราะมีมีบุญเหมือนเกิดเรานะถ้าเราไม่มีเงินจะไปซื้อรถดีๆได้ยังไง แต่คนมีเงินต้องไปซื้อรถดีๆมาขี่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีเงินมีบุญมากๆเราก็ไปเข้าไปอยู่ในท้องแม่ที่รวยๆฮะอที่มีตระกูลรวยๆเกิดมาแล้วก่อนเป็นผู้มีบุญเป็นที่ยอมรับอเพราะอะไรเพราะเราเกิดในตระกูลสูงตระกูลที่มีเงินคนที่จะไปเกิดอย่งงางนั้นได้ต้องเป็นผู้มีบุญ ถ้าเราไม่มีบุญเราจะไปเกิดได้อย่างไรเพราะนั้นก็ให้พวกเราสั่งสมบุญบุญนี่แหละจะนำพวกเราไปสู่ปรโลกภายภาคหน้ามีแต่ความสุขความเจริญดันนั้นวันในหลวงพ่อเน่บอกกล่าวแนวความคิดมากหลากหลายให้กับคณะสัทธา ญ, ญาณโยมลูกหลานพาะเนรได้ฟังอาต่อนี่ไปรับพร อ, อนุโมทนา